แต่ไม่ได้เป็นเหตุของเมืองเชียงใหม่เช่นเดียวกับมัจและการปฏิบัติตามมัจเป็นเหตุแห่งการบรรลุนิพพานแต่ไม่ใช่เป็นเหตุของนิพพานพุทธพจน์ต่อไปนี้เป็นเครื่องแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าการบรรลุนิพพานและทำชั้นสูงอื่นๆเป็นสิ่งมีอยู่และเป็นไปได้จริงในเมื่อทำดวงตาคือปัญญาให้เกิดขึ้น ดังพุทธพท์ในสุภสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญนาตที่ตรัตโตมติของพรามคนหนึ่งผู้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะรู้จะเห็นญาณทัศนวิเศษยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์มีความดังนี้นี่แนะี่มานพเปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดเขาไม่เห็นรูปดำรูปขาวรูปเขียวรูปเหลือง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 คนที่ได้คำหลังช้างก็ว่าช้างเหมือนครกตมข้าวคนที่ได้คำหางช้างก็ว่าช้างเหมือนสากคนที่ได้คำปลายหางช้างก็ว่าช้างเหมือนไม้กวาดเสร็จแล้วคนตาบอดเหล่านั้นก็ได้ทุ่มเทียงกันว่าช้างเป็นอย่างนี้ช้างไม่ใช่อย่างนั้นช้างไม่ใช่อย่างนั้นช้างเป็นอย่างนี้จนถึงชกต่อยกันชุลมุนเป็นเหตุให้พระราชานั้นทรงสนุกสนานพระทยแล ท้ายสุดพระพุทธเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานเป็นคาถาความว่านี่ละหนอสมณะและพระบังพวกย่อมมัวติดข้องกันอยู่ในสิ่งที่เป็นทิฏฐิทรฤษฎีเหล่านี้คนทั้งหลายผู้เห็นเพียงส่วนหนึ่งหนึ่งพากันถือต่างถือแย้งจึงทะเลาะวิวาทกัน